วันนี้นะเป็นที่รู้กันนะคือวันสงกรานถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยวันหนึ่งที่พูดว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยวันหนึ่งก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสองวันแล้วนะวันปีใหม่นอกจากวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งคือ1มกราแต่สมัยก่อนเนี่ยวันปีใหม่ของไทยมีวันเดียวนะคือวันสงกรานนี่แหละ จระทั่งเมื่อ100ปีที่แล้วนะหรือเกือบร0อปีที่แล้วสมัยรัชการที่5ก็ประกาศให้วันที่1เมษาเป็นวันปีใหม่ของไทยนะอันนี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้นะว่า1เมษาเนี่ยเคยเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้วหลังจากนั้นผ่านไป50ปีก็มีการประกาศใหม่ว่า1มกราเป็นวันปีใหม่ของไทย แล้วเราก็นับถือนะวันหนึ่งม ก, กราเนี่เป็นวันปีใหม่มาตลอดตั้งแต่เมื่อ 70-80 ปปีที่แล้วแต่ว่าความเชื่อของชาวบ้านนะนอกจากหนึ่งม ก, กราแล้วนี่ก็ยังมีอีกวันหนึ่งที่เป็นวันปีใหม่ของไทยคือวันสงกรานตนะ์กำหนดเอา13เมษายนนั่นเองนะว่าวันปีใหม่นี่มันก็เป็นเรื่องสมมตินะอยู่ว่าจะ กำหนดเอาวันไหนบางช่วงบางสมัยก็กำหนดเอาหนึ่งเมษาช่วงนั้นเนี่ยมกราี่ถือว่าท้ายปีนะมกราณิถือว่าท้าย ป, นะาาายปีเพราะว่าต้นปีเนี่ยคือหนึ่งเมษาแต่ว่าต่อมาเราก็คล้อยตามสากลหรือฝรั่งนะก็กำหนดใหม่นะว่า 1ม ก, กราถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสมมุตินะแต่มันก็มีประโยชน์ประโยชน์ที่ว่านี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองเพราะเฉลิมฉลองนี่มันก็มีโทษนะเฉลิมฉลองไม่เป็นกินเหล้าเมาไมก้ก็ชกต่อยทุบตีพิวาากันหัวร่างข้างแตกหรือพิการกันไปหรือหนักกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุรถยน เ ม, มาหม่เนื่องจากเฉลิมฉลองกันหนักประโยชน์ของวันปีใหม่นี้ก็คือเพื่อให้เราได้มากลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้มีประโยชน์กว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดพลาดหรือมีเหตุร้ายที่ทำให้เศร้าโศกเสียใจหรือมีความโกรธแค้นขุนเคืองพ่อแล้วก็ตาม อันนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรารักษาใจเป็นรักษาใจให้ถูกนะวางใจถูกต้องให้ความโศกความเครียความโูนความโกรธความเกลียดนี่มันจะมารบกวนจิตใจไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเกิดนี่ห้ามไม่ได้แต่ดูแลรักษาไม่ให้มารบกวนจิตใจนี่ทำได้ ท้าไม่ทําก็แปว่าพลังพลาดนะพลังพลาดไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเอาวันปีใหม่นี่แหละนะเป็นนิมิตหมายจเจ้าวันอื่นเป็นวันสําหรับการเริ่มต้นก็ได้นะแต่ว่าถ้ามาเริ่มต้นกันวันปีใหม่มันก็ดีริ่มต้นพร้อมๆกัน ไอ้ที่ผิดพลาดไปแล้วไอ้ความเศร้าโศกเสียใจที่มีมาแล้วก็ให้มันผ่านเลยไปเรามาเริ่มต้นใหม่เนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขเนะเปลี่ยนโศกให้กลายเป็นปิติสมกับวันสงกรานนะสงกรา น, นี่มัน่น็เปลี่ยนผ่าน เปลีนราศีมาขึ้นราศีเมษซึ่งเป็นราศีแรกของจักรราศีแบบไทยคนไทยสมัยก่อนเราเชื่อเรงจักรราศีราศีเมษนี่ก็เป็นราศีแรกสงกรานีก็คือการเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษก็เลยประกาศหรือสมมุติว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ให้เริ่มต้นใหม่นะ แล้วก็สงกรานต์ปีนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเราไม่สามารถจะเฉลิมฉลองหรือมาทำบุญในวันสงกรานต์ได้อย่างสะดวกเหมือนปีนี้เพราะโควิดมันแท่ระบาดคนล้มตายก็มาก การที่เรายังมีชีวิตยอยู่จนถึงวันนี้มาทำบุญในวันสงกรานนี่ก็ถือว่ามีโชคก็ต้องขอบคุณนะว่าเรายังโชคดีแม่จะยังมีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องขบมีปัญหาที่ต้องแก้อาจจะมีความเจ็บความป่วยบ้างาก็ยังดีที่ยังมีชีวิตมาทำบุญในวันสงกรานก็ถือว่าตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิด เราก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้่ดีต้องทำให้มันดีกว่าเดิมไม่ใช่ดีเหมือนเดิมนะแต่ต้องดีกว่าเดิมเพราะเรามีประสบการณ์มีสติปัญญาอย่าให้มันเพิ่มแต่อายุแต่ประสบการณ์สติปัญญาก็เพิ่มขึ้นด้วยสงการหรือบันปีหมายมันจึงจะมีความหมายอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่วันเฉลิมฉลองกินเหล้าเมายาแล้วก็เจ็บป่วยหรือล้มตายกันไปหรือถึงไม่เจ็บป่วยล้มตายแต่ว่ามันก็ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์แถมสะสมโรคภัยไข้เจ็บโรคตับแข็งนะสารพัดโรควันสงการเนี่ยนะมันจะมีตำนานเรื่องเล่านะซึ่ง สืบท่ากันมาช้านานเดี๋ยวนี้ก็อาจจะลืมไปแล้วนะเป็นเรื่องของท้าวกบิลพรมกับคนชายหนุม่มที่ชื่อว่าธรรมบาลเอาย่อๆนะท้าวกบิละพรมก็เป็นเทวดานะวันหนึ่งก็อยากจะลองภูมิธรรมบาลเพราะเห็นว่าธรรมบาลเนี่ยเป็นคนฉลาดอยากจะลองพูว่ามีสติปัญญาแค่ไหน ก็เลยมาถามปัญหา3มข้อถ้าธรรมบานตอบได้กบินพรมก็จะมอบคอให้มอบศรีรษะให้คือตัดคอตัวเองแต่ถ้าธรรมบานตอบไม่ได้ธรรมบานต้องตัดคอตัวเองเป็นการเสี่ยงเป็นการเป็นเรียกว่าเป็นปิิสนาที่มีเดิมพันสูงมาก ตอบไม่ได้คือตายและธรรมบาลก็เจอ3มคำถามนี้คำถามที่ว่าคืออะไรตอนเช้าสีอยู่ที่ไหนตอนเที่ยงสีอยู่ที่ไหนสีนี้คือสิรินะไม่ใช่สีแดงสีเขียวตอนค่ำสีอยู่ที่ไหนธรรมบานคิดแล้วคิดตอบไม่ได้ จนกระทังถึงเส้นตายคิดว่าตายแน่แต่ว่าบาังเอิญนะขณะที่เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาความสงบเพื่อจะได้มีสติพิจารณาหาคำตอบก็ได้ยินนกตัวแม่คุยกับลูกนกที่เป็นนกแรงนะมันบอกมันจะได้กินจะได้กินหัวของธรรมบาลแลว้วก็ธรรมบาลตอบไม่ได้ ลูกก็ถามว่าตอบอะไรไม่ได้ตัวแม่ก็บอกว่าตอบไม่ได้คําถามสมข้อเนี่ยแล้วลู ก, กเลยถามว่าคําตอบคืออะไรนกบอกว่านกตัวแม่บอกมันมันไม่ยากเลยตอนเช้าสีอยู่ที่ศีรษะอยู่ที่หัวอยู่ที่หน้าเพราะฉะนั้นเราจึงล้างหน้าตอนเช้าตอนที่อย่างสีอยู่ที่หน้าอกเพราะฉะนั้นเราจึงเอาแป้งมาประพรมที่หน้าอก ตอนข้ามสีอยู่ที่เท้าเพราะฉะนั้นเราจึงล้างเท้าธรรมบาลได้ยินเพราะธรรมดานธรรมบา ล, ร, บาลรู้ภาษาโนกก็เลยไปตอบนะบอกคำเฉลยนี้ให้กับกบิลพมกบิลพรมก็พบว่ามันเป็นคำเฉลยที่ถูกกบิลพรมนี้ก็ซึ่งสัตว์นะถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะบอกเอ้ยไม่ใช่ คำตอบที่ถูไม่ใช่อย่างนั้นแต่กระบิลพรมนี่สื่อสัตว์บอกว่าถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นกระบิลพมก็เลยตัดคอตัวเองแต่ว่าตัดคอแล้วเนี่ยชีวิตสาของกรบิลพมเนี่ยถ้าตกถึงพื้นมันก็ไฟไหม้โลกถ้าอยู่กลางอากาศมันก็ฝนแรงถ้าตกน้ำนะมันก็น้ำแห้งเพราะนันจะต้องอัญเชิญไว้นะกลางอากาศ ก็เลยมีลูกสาวเจคนเนี่ยมาอัญเชิญทุกปีทุกปีนะจันถึงอาทิตย์นะผัดเบียนกันปีแล้วปีเล่าอันนี้คือตำนาเรื่องเล่านะเรื่องวันสงกรานซึ่งก็มีประโยชน์นะสีเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนค่ำแต่ว่า คำถามนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะในแง่ของพุทธศาสนานะคำถามที่สำคัญพุทธศาสนาคือว่าเวลานี้สีอยู่ที่ไหนนะเวลานี้สีอยู่ที่ไหนอันนี้สำคัญกว่าเพราะอะ ร, รายพร่ะสีของเวลานี้อยู่ที่ใจนะตอนเช้าอาจจะอยู่ที่หน้าตอนเที่ยงอยู่ที่หน้าอก ตอนข้าอยู่ที่เท้าแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจฉั้นสีที่ใจก็ต้องรักษาใจเอาไว้ดูแลใจให้ดีอย่าให้ความเคียดความโศนความโกรธความโลภมาครอบงําเพราะมันจะทําให้ใจหมนหมองหน้าหมนหมองก็ล้างด้วยน้ำแต่ถ้าใจหมนหมองจะล้างด้วยอะไรก็ล้างด้วยธรรมะ ค, คือสติจริงให้มีสติแล้วเนี่ยนะ ใจมันจะมีสีอยู่ตลอดเวลาคือมีสติมงคลตลอดเวลาอย่างที่หลวงพ่อธนชัยได้พูดกับเราเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าให้มาสังเกตดูใจของเจ้าของถ้าเรารู้ว่าสีที่ใจต้องกลับมาดูสังเกตเฝ้าระวังใจอย่าให้ความโกรธความโลควโความเกลียดกิเลสมาครอบงําเพราะมันทําให้ใจหม่นหมองคําถาม น, นี้สําคัญกว่านะเวลานี้สีที่ไหนและคําตอบก็สําคัญมาก สมัยนี้คนอาจจะไม่ล้างเท้ากันแล้วสมัยนี้คนอาจจะไม่ปะพมหน้าอกกันแล้วแต่ว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันก็ต้องดูแลใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้บอกตัวเองนะสงการปีใหม่เนี่ยสีที่ใจเวลานี้สีที่ใจรักษาใจให้ดีนะตอนเช้าจะล้างหน้าตอนเที่ยงจะปะพมหน้าอกตอนข้ามจะล้างเท้า ยังไงก็ได้แต่ก็อย่าลืมรักษาใจให้สดใสเบิกบานเพราะเวลานี้เนี่ยไม่ใช่เวลาไหนสีที่ใจปัจจุบันขณะนั้นเองนะแล้วขอให้มีสิริมงคลนะที่ใจของเจ้าของนะให้เย็นเป็นสุขนะปลอดภัยไกลทุกนะให้มีความสุขเป็นนิดนะมีชีวิตที่แจ่มใสเบิกบานนะก้าวข้ามผ่านทุก ให้ได้พบความสุขเกษมสารมีพระนิพพานในที่หมายด้วยกันทุกคนเทิม